จเจริญพรทุกๆท่านการฟังธรรมนั้นต้องการสมาธินะใจเราไม่มีคุณภาพธรรมะถ่ายทอดออกมามันก็เข้ามาไม่ถึงใจเราตกหล่นซึกลางทางงั้นเราตัองหตั้งใจนิดหนึ่งหลวงพ่อได้ไม่ต้องใช้แรงเยอะบทีถ้าใจเราว่กแวกวักแวแเมลเทศต้องใช้แรงมากให้เรา ทงความรู้สึกตัวสบายๆนะการปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่เรื่องอะไรที่งมงายนะคือการเรียนรู้ตัวเองศา ส, สนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่มีเหตุมีผลทั้งสิ้นเลยไม่ใช่เรื่องงมงายแล้วก็เป็นเรื่องที่ประณีตลึกซึ้งเป็นลาดับลาดับไปศา ส, สนาพุทธไม่ใช่แค่เรื่องการทำทาน ไม่ใช่การรักษาศีลไม่ใช่แค่เรื่องนั่งสมาธิให้ใจสงบการทําทานการรักษาศีลการทําสมาธิให้ใจสงบมีประโยชน์ไหมก็มีมีประโยชน์แต่ไม่สามารถทําให้เราพ้นทุกถึงที่สุดได้จุดที่ทําให้พพุทธศาสนาแตกต่างจากศาสนาอื่นหรือคําสอนของนักปราชญาอื่นๆ อ, อยู่ที่การเจริญปัญญา ลำพังการทำทานนะศาสนาอื่นเขาก็ทำทานอย่างมุสลิมนะถึงปีเขามีการสการต้องแบ่งไรายได้ส่วนหนึ่งนะให้กับสังคมเขาก็มีหลักเกณฑ์ของเขาพกศาสนาอื่นเขาก็มีเรื่องการทำทานศีลกแต่ละศาสนา ก, ก็มีศีลแบบของตัวเองเรื่องสมาธิก็มีกันทั่วๆไปอย่างมุสลิมเขาละหมาดวันละห้าครั้งคิดถึงพระเจ้าวันละห้าครั้งมันก็คือหลักของสมาธินั่นเอง ถ้าเทียบกับของพุทธเราก็เรียกว่าเทวตานุสติะระลึกถึงพระเจ้าเราลึกถึงเทวดาะระลึกแล้วเป็นยังไงเราลรึกแล้วจิตสงบนะพวกคริสต์เาก็มีไปร้องเพลงนะในโบสถ์สิ่งเล่านั้นทำให้ใจสงบงั้นลำํำพังการทำทานการรักษาศีลการฝึกใจให้สงบเนี่ยใครๆก็มีไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์เป็นเรื่องทั่วๆไป แต่การเจริญปัญญานะั้นมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาจนบางครั้งเราแทบจะรู้สึกว่าศาสนาพุทธเหมือนไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่ศาสนาตามนิยามของฝรั่งเขาพระชงพระเจ้าอะไรเราก็ไม่มีมันคือศาสตร์แห่งการพัฒนาใจตนเองไปสู่ความพ้นทุกข์สิ้นเชิงใจเราจะพัฒนาขึ้นมาสู่ความพ้นทุกข์ได้นะมีวิธีฝึกจิตฝึกใจอยู่สองระดับ อันหนึ่งเรียกว่าสมถกรรมฐานอันหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานก็ไม่ใช่แค่ทำใจให้สงบเหมือนที่าศาสนาอื่นทำสมาธิของพุทธมีลักษณะเฉพาะสมาธิของพุทธเมื่อเราทำแล้วเนี่ยจิตเราจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาไม่ใช่แค่สงบลำพังทำใจให้สงบเนี่ยศาสนาอื่นก็มีแต่การที่จะมาฝึกจนจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน จิตสามารถถอดถอนตัวเองออกจากปรากฏการ์ทั้งหลายทั้งปวงได้และมาทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการจิตสามารถถอนตัวออกมาเป็นผู้สังเกตการร่างกายมันทำงานถอนตัวมาสังเกตการจิตใจมันทำงานได้เมื่อจิตมันถอนตัวมาเป็นคนดูแล้วเนี่ยมันไม่มีอคติในการดูมันจะสามารถรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นได้ แต่ถ้าจิตไม่สามารถมีสมาธิทรงตัวเด่นดวงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาลถอดถอนตัวเองออกจากปรากฏการ์ทั้งหลายได้จิตจมอยู่ในปรากฏการ์เมื่อจิตจมอยู่ในปรากฏการ์เนี่ยจิตจะรู้ปรากฏการ์ให้ชัดเจนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เนี้อสมาธิของพูดก็ไม่เหมือนสมาธิของคนอื่นหรอกมีสมาธิอยู่สองระดับระดับหนึ่งเนี่ยให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียว อันนี้ตรงกับของคนอื่นพระพุทธเจ้าไม่ปฏิเสธหรอกเพราะมีประโยชน์เหมือนการจิตสงบแต่สมาธิชนิดหนึ่งเนี่ยจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสมาธิชนิดจิตสงบเนี่ยมีจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งคือมีอารมณ์มันเดียวมีจิตเป็นหนึ่งเป็นคนดูอยู่เฉยๆแล้วก็แนบเข้าไปอยู่ที่อารมณ์เรียกว่าจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งอย่างนี้เนี่สมาธิให้จิตสงบนาะ ส่วนสมาธิที่พระพุทธเจ้าท่านถ่ายทอดมาสําหรับการเฉริญปัญญาเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นแสนเป็นล้านก็ได้อารมณ์นะั้นเคลื่อนไหวเป ล, hmm เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่จิตเป็นแค่คนดูนะอารมณ์อาจจะเป็นความสุขอารมณ์อาจจะเป็นความทุกข์อาจจะเป็นความดีเป็นความโลภความโกรธความหลงก็ได้แต่จิตเป็นแค่คนดูก็จะเห็นว่าตอนนี้ความโกรธเกิดขึ้นตอนนี้ความโกรธหายไปตอนนี้ความโลภเกิดขึ้นตอนนี้ความโลภหายไป ตอนนี้ความหลงเกิดขึ้นตอนนี้ความรู้สึกตัวเกิดขึ้นแทนนะตอนนี้จิต ฟ, ฟุ้งซ่านตอนนี้จิตหดหูเนี่ยจิตจะเป็นคนดูมันจะเห็นว่าปรากฏการคือความรู้สึกทั้งหลายนะไห rada, ไลผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเวลาจิตตั้งมั่นเนี่ยถ้ามาย้อนบนดุกกายมันจะเห็นร่างกายนี้ทํางานเห็นร่างกายหายใจออกจะไม่รู้สึกว่าเป็นเราหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าจะไม่รู้สึกว่าเป็นเราหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอน จะรู้สึกแค่ว่าร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนเนี่ยศาสตร์ของพุทธนะถ้าสมาธิอย่างนี้ไม่มีสมาธิที่จิตตั้งมั่นไม่มีนะเนเจริญปัญญาไม่ได้พวกเราอาจจะเคยได้ยินว่าถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่เกิดปัญญาอันนั้นพุทธก็เกือบเกือบถูกแต่ไม่ถูกหรอกเพราะสมาธิมันมีมานอกพุทธศาสาศนาก็มีนะาศาสนาไหนก็มีสมาธิแล้วทาไมไม่เกิดปัญญา สมาธิเฉพาะเจาะจงนะที่จะทำให้เกิดปัญญาสมาธิที่จิตตั้งมั่นถ้าเราไปดูพระจนานุกรมให้ดีสมาธิพวกเราชอบนึกเอาเพราะว่าสมาธิแปลว่าสงบถ้าไปดูพระจนานุกรมพทุทธศาสนาจริงๆอยพบ ว, ว่าสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นไม่ใช่ความสงบนะอย่ามั่วความตั้งมั่นคือจิตมันถอนตัวออกมาเป็นคนดูมันตั้งมั่นมันไม่หลงไปมันไม่ไหลไปแล้วมันจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันทํางานอยู่ไม่ใช่เราทํางาน ใจิตใจมันทำงานอยู่ไม่ใช่เราทำงานนะสติปัญญาจะเกิดมันจะทอดทอนความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราของเราได้แล้วเราต้องมาพยายามฝึกใจนะให้เกิดสมาธิอย่างที่สองนีให้ได้สมาธิอย่างแรกจะมีหรือไม่มีเนี่ยนะนะยังไม่สำคัญเท่าถ้ามีก็มีประโยชน์อย่เวลาเราเจริญปัญญาไปมันเหน็ดเหนื่อยเราทำสมาธิให้จิตสงบมันก็ได้เรี่ยวได้แรงมาเจริญปัญญาต่อ แต่ว่าถ้าไม่มีสมาธิอย่างที่สองคือจิตตั้งมั่นเนีจเจริญปัญญาไม่ได้เวลาเราจิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสภาวะคล้ายๆเราอยู่บนตึกนะริมถนนเรามองลงมาที่ถนนเห็นรถยนต์วิ่งไปวิ่งมารถอะไรมาก็เห็นนะคนเดินมาก็เห็นหมาวิ่งมาก็เห็นอะไรมาก็เห็นเห็นได้อย่างชัดเจนเราดูแบบคนวงนอกแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไปยืนอยู่กลางถนนเนี่ยเราไม่เห็นอะไรรอบข้างนี้ แค่คอยโดดหลบรถมันเฉียวไฟเฉียวมาเนี่ยแค่จะเอาชีวิตรอดยังแทบจะไม่รอดนะมองอะไรได้ไม่ชัดงั้นการที่เราจะเห็นปรากฏการณ์ทั้งหลายได้ชัดเนี่ยต้องดูแบบคนวงนอกเหมือนเมื่อก่อนหลวงพ่อทํางานนะทำโปรเจกต์บางโปรเจกต์เนีเราจ้างที่ปรึกษามาที่ปรึกษาแพงมากเลยนะพวกคอนเซาล์ทั้งหลายเนี่ยค่าจ้างแพงมากเลยแต่ว่าพวกคอนเซาล์นี่มันเก่งกว่าเราไหมมันไม่เก่งหรอก พวกคอนเซิรู้เรื่องในองคอ์กรของเราไหมไม่รู้หรอกแต่ทำไมมันมองปัญหาได้ทะลุปลุโปลงมากกว่าเราเพราะมันมองแบบคนวงนอกเราคลุกอยู่กับปัญหาเราเลยมองปัญหาไม่ออกเวลาที่เราจะเจริญปัญญานี่ก็เหมือนกันถ้าเราทำตัวเป็นคนวงนอกนะ นอกอะไรนอกกายนอกใจของตัวเอง<ม>เห็นกายมันทํางานเหมือนเห็นคนอื่นทํางานเห็นจิตใจมันทํางานเหมือนเห็นคนอื่นทํางานอย่างเนี้เราจะเห็นกายเห็นใจของเราได้ชัดแล้วก็ตรงความเป็นจริงไม่มีอคติอย่างเราอยู่ในองค์กรเนี่ยเราวิเคราะห์ปัญหาเรารู้ปัญหารู้อะไรสารพัดนะแตเวลาวิเคราะห์หาทางออกเนี่ยหายากเพราะเรามีอคติมีส่วนได้ส่วนเสียนะเดี๋ยวแต่ตัดสินอย่างเงี้เดี๋ยวหน่วยงานของเราเสียเปรียบหน่วยอื่นที่ดีกว่าอะไรเงี้ย แต่ถ้าเราเป็นคอนซัลท์เป็นคนนอกมันไม่มีส่วนได้เสียมันมองอะไรได้ตรงไปตรงมางั้นเราจะมาฝึกใจของเรานะให้มันเป็นคนบงนอกถอนใจออกมาเป็นคนดูไม่ใช่ผู้แสดงแต่เป็นผู้ดูมิธีฝึกจะทำยังไงให้ใจออกมาเป็นคนดูได้ขั้นแรกเลยนะเราทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ถนัดพุดโทโธเราก็หัดพุดโทโธไปถนัดหายใจเราก็หายใจไป ถนดัดใช้ท้องผ่องยุบก็ใช้ท้องผ่องยุบไปถนดัดจะขยับมือทำจังหวะอย่างโรงพ่อเทียนก็ขยับไปไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรเลวมากกว่ากันหรอกแมัแล้วแต่ความถนัดใครถนัดอะไรใช้กรรมฐานอันนั้นแต่ไม่ใช่ทำเพื่อให้จิตสงบไม่ใช่พุทโธให้จิตสงบไม่ใช่หายใจให้จิตสงบไม่ใช่ดูท้องผ่องยุบให้จิตสงบแต่พุทโธไปหายใจไปดูท้องผ่องยุไปขยับมือไปเดินจงกรมไปทำกรรมฐานอะไรก็ได้ แล้วคอยรู้ทันจิตที่มันไหลไปไหลมาจิตจะไหลตลอดเวลานะเดี๋ยวเขาไหลไปคิดเดี๋ยวเขไหลไปดูเดี๋ยวก็ไหลไปฟังเดี๋ยวก็ไหลไปเพ่งเวลาเรารู้ลมหายใจจิตจะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจถ้าเมื่อไร่เรารู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมานะจิตจะไม่ไหลจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะอะไรเพราะจิตที่ไหลไปไหลมาเป็นจิตอกุศลเป็นจิตที่ประกอบด้วยกิเลสชื่อว่าอุทัจจะความฟุ้งซ่าน เมื่อไรมีสติรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านนะเมื่อไรมีสติกดของธรรมะเลยเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสงัน้นเราไม่จําเป็นต้องไปห้ามจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านนะแค่มันฟุ้งซ่านแล้วรู้ว่าฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเมื่อความฟุ้งซ่านดับความตั้งมั่นก็เกิดเพราะว่าความตั้งมั่นมันตรงข้ามกับความฟุ้งซ่านเมื่อไหรไม่ฟุ้งซ่านเมื่อนั้นก็ตั้งมั่นคือแค่นั้นเองของง่ายๆนะอย่าไปบังคับจิตให้ตั้งมั่นนะ ถ้าไปบังคับจิตจะจิตจะเครียดจิตจะเครียดจิตไม่สงบไม่มีความสุขด้วยนะจิตจะฟุ้งซ่านหนักกว่าเก่าอีกงั้นเราฝึกนะฝึกตัวเองฝึกถอนจิตตัวเองออกมาเป็นคนดูไม่ได้นะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตนั่นมันหนีไปคิดก็รู้เช่นเราฟุโธฟุโธพุโธจิตหนีไปคิดรู้ทันไม่ห้ามหนีได้นะให้หนีไปแต่หนีแล้วรู้หายใจไปจิตหนีไปคิดเรารู้จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้จิตมันจะเคลื่อนที่ไป เคลื่อนไปคิดบ้างเคลื่อนไปเพ่งอยู่ในอารมณ์กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างอย่างถ้าสมาธิชนิดสงบเนี่ยจิตจะเคลื่อนนะเคลื่อนไปอยู่แนบอยู่กับอารมณ์กรรมฐานไม่หนีไปที่อื่นได้แต่ความสงบได้แต่ความสุขแต่ถ้าเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนนะจิตจะตั้งมั่นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นอย่ามาคุยเลยเรื่องเจริญปัญญาไม่มีทางหรอกนะมันเป็นมิจฉาสมาธิมันไม่ได้สมาธิที่แท้จริงขึ้นมาไม่สามารถเจริญปัญญาได้ ลำพังสงบแล้วเจริญปัญญาได้ศาสนาอื่นเขาก็บรรลุมรควนหมดแล้วล่ะนี่เขาก็สงบเหมือนกันแต่เขาทําไม่ได้เพราะเขาไม่รู้จักสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นรู้จักแต่สงบเนี่เราฝึกนะไม่ได้ฝึกให้สงบแต่ฝึกรู้ทันจิตตนเองบ่อยๆหัดพุดโทโธก็ได้หัดหายใจก็ได้ดูท้องพองยบก็ได้นะเดินจงกรมก็ได้ทำกรรมฐานอะไรก็ได้แล้วค่อยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไหลไปคิดให้รู้ไหลไปเพ่งอารมณ์ให้รู้ คราวนี้เราจะได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาหลวงปู่ดนเคยสอนนะบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดคือจิตมันคิดเรารู้ทันจิตรู้ก็เกิดใช่ไหมไม่ใช่ว่าห้ามคิดคิดได้แต่คิดแล้วเรารู้ทันพอเรารู้ทันจิตคิดก็ดับเกิดเป็นจิตรู้ขึ้นแทนหลวงพ่อเทียนก็สอนนะคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวจิตมันคิดไปพอเรารู้ทันปุ๊บเหมือนแมวมันฆ่าหนูตายไปแล้วะจิตก็ตั้งมั่นตื่นขึ้นมา ถ้าเราใครรู้ทันจิตที่เคลื่อนบ่อยๆนะศาสตร์ตัวเนี้เป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งมากเลยถ้าพวกเราทําตัวนี้ไม่ได้ในโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลในชีวิตนี้ยากมากนะทุกวันนี้ทําไมคนไม่บรรลุมรรคผลเลยเพราะคนไม่มีสมาธิที่ถูกต้องในการเจริญปัญญางั้นต้องฝึกนะฝึกไปสักพักเดียวไม่นานจิตเราจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเมื่อจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วถัดจากนั้นเป็นขั้นของการเจริญปัญญา หลักของการเจริญปัญญานี่ที่เป็นหวัวข้อในการบรรยายนี่เองเนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นเราฝึกมาแล้วนะจิตที่ตั้งมั่นเราฝึกมาแล้วเราจะเอาจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยไปรู้กายอย่างที่กายเป็นไปรู้ใจอย่างที่ใจเป็นไม่ใช่ไปบังคับกายไปบังคับใจาตอนนี้ทุกคนลองยิ้มหวานๆสิยิ้มหวาน ย, ยิ้มเหมือนกับมีสาวมาบอกรักเราหรือมีหนุ่มมาบอกรักเราครั้งแรกเรารู้สึกไหมร่างกายเมันยิ้มเราพยักหน้าสิรู้สึกไหมร่างกายพยักหน้าเมื่อเราคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายอย่างนี้บ่อยๆนะไม่ใช่เพ่งร่างกายไม่ได้บังคับร่างกายนะร่างกายเหลียวซ้ายแลกว่าร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกไปรู้สึกไปแค่รู้สึกไม่ใช่บังคับนะเอายิ้มหวานอีกที รู้สึกไหมร่างกายยิ้มไม่แค่นี้เองนะเมื่อกี้พยักหน้าแล้วพอหลวงพ่อถามว่ารู้สึกไหมก็พยักหน้าเห็นร่างกายพยักหน้ารู้สึกเนี่รู้สึกอยู่อย่างนี้เว่ารู้สึกร่างกายนะไม่ใช่เรื่องยากอะไรทุกคนทำได้แต่ละเลยที่จะทำทำไมละเลยเพราะไม่รู้ว่ามีประโยชน์ทางแห่งความพ้นทุกมันอยู่ตรงนี้เองนะการเจริญปัญญาเนี่ยมันอยู่ที่ว่า เราสามารถเห็นร่างกายมันทํางานสามารถเห็นจิตใจมันทํางานได้โดยใจของเราเป็นแค่คนรู้สึกเป็นแค่คนดูนะอย่างเมื่อกี้เรายิ้มหวานร่างกายมันยิ้มใจมันเป็นคนรู้สึกร่างกายพยักหน้าใจมันเป็นคนรู้สึกร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนรู้สึกอย่าไปเพ่งลมหายใจนะส่วนใหญ่เกือบร้อยละร้อยที่ทํำอนาปนาสติเนี่ยจะไปเพ่งลมหายใจให้จิตนิ่งอยู่ที่ลมอันนั้นเป็นสมาธิชนิดที่หนึ่งไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพาน เป็นไปเพื่อความสุขความสงบตายไปก็ไปเป็นพระพรหมเท่านั้นเองนะไม่ได้อย่างอื่นหรอกเ ร, เรามาฝึกหายใจไป itary, จิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้แล้วใจจะตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้สึกนะพอมันเป็นผู้รู้สึกได้เราก็เห็นร่างกายมันทํางานเห็นร่างกายมันยิ้มเห็นร่างกายมันพยักหน้าเห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเรารู้ด้วยความรู้สึกไปเรื่อยๆไม่นานเราก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรา ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะมันเหมือนเปลือกเหมือนถ้ำเหมือนพโพรงเหมือนอุโมงค์ที่จิตมาอาศัยอยู่เท่านั้นเองไม่ใช่ตัวเราที่แท้ จ, จริงนะการดูให้เห็นว่ากายไม่ใช่เราเนี่ยเป็นเรื่องง่ายคนนอกศาสนาพุทธเขาทำได้อันนี้พุทธเจ้าบอกเลยนะบอกปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยสามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่เรานะแต่ว่ามีแต่ในธรรมวินัยของท่านนะถึงจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราได้นี่วิธีดูให้เห็นว่าร่างกาย มันไม่ใช่เราไม่ใช่ยากใชแค่รู้สึกแค่รู้สึกไปเดี๋ยวมันก็เห็นแล้วล่ะไอตัวนี้มันหายใจตัวนี้มันยืนเดินนั่งนอนตัวนี้พยักหน้าตัวนี้ยิ้มตัวนี้หน้าบึ้งมันไม่ใช่เรามันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านี่จะมาดูจิตให้เห็นว่าจิตใจไม่ใช่ตัวเราจะดูได้ไงจิตใจเนี่ยเราอย่าไปบังคับให้มันนิ่งปล่อยให้มันทํางานไปในใจเราสังเกตไหมแต่ละวันเนี่ยบางวันก็สุขบางวันก็ทุกข์รู้สึกไหม บางวันสงบบางวันฟุ้งซ่านแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลยเราหัดรู้ไปเรื่อยๆนะใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านรู้วันนี้สดชื่นวันนี้ขุนมัวรู้ไปเรื่อยๆหัดรู้ไปก่อนต่อไปก็ดูละเอียดเข้าไปอีกในวันเดียวเช้าสายบ่ายเย็นความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันแค่รู้ความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆมันจะยากอะไรมันก็เหมือนรู้ที่ตัวเองยิ้มนั่นแหละนะแต่นี้เรารู้ความรู้สึกของตัวเอง อย่างความรู้สึกในใจเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาแต่เราลาเลยที่จะรู้มันก็เลยไม่รู้ถ้าไม่ลาเลยเราก็รู้ได้ถ้ารู้ได้ไม่นานก็บรรลุมรักผลนะปัญญามจะเกิดไม่เห็นเลยกายนี้ไม่ใช่เราจิตนี้ไม่ใช่เราตัวเราไม่มีอย่างในขณะเนี้ยสํารวจใจของเราสิคนไหนมีความสุขยกมือขึ้นขณะนี้ใครรู้สึกมีความสุขยกมือขึ้นสินะนะ เอาขนาดนี้ใครมีความทุกข์รู้สึกไหมใครมีความทุกข์ยกมือซิมีเหมือนกันทุกข์เพราะอะไรผง ง, งพระนี่พูดเรื่องอะไรบะทํทำไมเทศไม่เหมือนชาวบ้านเทศเหมือนชาวบ้านเราก็ได้เหมือนที่เคยฟังนั่นแหละคือไม่ค่อยจะได้อะไรนะขนาดนี้ใครมีความสุขเราก็รู้ใช่ไหมใครมีความทุกข์เราก็รู้ใครเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ยกมือิเอ า, เอ า, เอ า, เอามือลงใครไม่รู้ ว่าสุขหรือทุกหรือเฉยๆย้อ ง, งมือซิมีไหมไม่รู้มีประหลาดมากมีสองคนนะต้องพิจารณาตนเองแล้ว <c oughs> จะรู้สึกมันจะยากอะไรการรู้ความรู้สึกของตัวเองอ่เวลาโกรธ น, นะโกรธรู้จักไหมโกรธโกรธเป็นไหมใครๆก็โกรธเป็นใช่ไหมใครๆก็โลภเป็นใครๆก็ฟุง้งซ่านเป็นใครๆก็หดหู่เป็นที่พูดมานี้รู้จักทุกตัวเลยใช่ไหมอิจฉาเป็นไหม อาฆาตเป็นไหมเซงเป็นไหมเซงเบื่อเอียนเลี่ยน ม, มันมีดีกรีของภาษาไทยนะสองสามร้อยคำที่สะท้อนถึงความรู้สึกในใจนะนะความรู้สึกทั้งหลายในใจเราเนี่ยเรารู้จักทุกคนะ่ะสุขเราก็รู้จักทุกเราก็รู้จักรกลภโกรดหลงเราก็รู้จักใช่ไหมฟุ้งซ่านหดหูดีใจเสียใจเบื่ออิจฉา เสงนะเกลียดเกลียดเป็นไหมเกลียดรักเป็นไหมรักเนื่อความรู้สึกทุกชนิดนะเรารู้จักทั้งนั้นอ่ะเด็กเล็กเล็กก็รู้จกักคนทั่วไปเนื้อรู้ก็รู้ได้แต่ละเลยที่จะรู้ได้ยินไหมประโยคนี้หลวงพ่อพูดซ้ํำหลายรอบแล้วใช่ไหมอย่างร่างกายเราเนี้ยเราจะรู้สึกก็รู้สึกได้แต่เราละเลยในจิตใจเนี่ยความรู้สึกในใจเรา ถ้าเราจะรู้เราก็รู้ได้แต่เราละเลยเราไม่รู้ว่าสําคัญนะต่อไปนี้ถ้าใจเรามีความสุขก็ให้รู้ใจเรามีความทุกข์ก็ให้รู้ใจสงบก็ให้รู้ใจฟุ้งซ่านก็ให้รู้นะใจดีก็ให้รู้ใจโลภใจโกรธใจหลงก็ให้รู้ใจเป็นยังไงให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่าไปบังคับใจห้ามโลภห้ามโกรธห้ามหลงห้ามทุกข์ห้ามโน้นห้ามนี่ต้องอย่างโน้นต้องอย่างนี้ต้องดีต้องสงบอย่างเงี้ยไม่มีคําว่าห้ามไม่มีคําว่าต้อง ให้รู้อย่างที่มันกำลังเป็นอยู่มันมีความสุขรู้ว่ามันมีความสุขมันมีความทุกรู้ว่ามันมีความทุกมันดีรู้ว่าดีมันชั่วรู้ว่าชั่วเหมือนที่พระเจ้าสอนน่ยจิตมีราคารู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะง่ายๆจิตมีโทสารู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสารู้ว่าไม่มีโทสะจิตมีโมหะคือหลง ก็รู้จิตไม่มีโมหะไม่หลงก็รู้นะจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตโอดๆก็รู้ของ่ายๆนะนั้นมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เนี่อรู้ความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆรู้แล้วจะได้อะไรรู้แล้วเราจะเริ่มเห็นความจริงนะว่าสุขทุกข์ดีชั่วทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเราเนี่เป็นของชั่วคราวนี่ในเวลาที่เรารู้เนี่ยครั้งแรกๆที่รู้เนี่ยมันจะรู้แล้วมันจะมีอคติ อย่างเวลามันรู้ความสุขนะมันจะชอบเวลาจิตใจมีความสุขนะี่ยมันไม่ใช่สุขอย่างเดียวมันชอบในความสุขด้วยเวลามันมีความทุกข์นะมันไม่ได้ทุกข์อย่างเดียวมันมีความเกลียดความทุกข์นั้นด้วยมีความยินดีมีความยินร้ายเกิดขึ้นด้ว ย, ยงั้นเวลาที่เรารู้สภาวธรรมทั้งหลายแล้วนะรู้ลึกซึ้งลงไปอีกชั้นหนึ่งถ้าจิตยินดีต่อสภาวะ น, นั้นให้รู้ทันถ้าจิตยินร้ายต่อสภาวะนั้นให้รู้ทันเมื่อเรารู้ทันความยินดีร้ายความยินดียินร้ายจะดับอัตโนมัติ จิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางนั้นตั้งมั่นอย่างเดียวยังไม่เป็นกลางนะยังไม่เห็นทุกสิ่งชัดหรอก ต, ตั้งมั่นแล้วใจก็ยังยินดีบ้างยินร้ายบ้างใจก็แวงไปแฝงมาให้เรารู้ทันอย่างเวลามีความสุขเกิดขึ้นใจมันพอใจให้รู้ว่าพอใจเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นใจไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจนี่รู้เข้ามาอีกชั้นหนึ่งใจจะเข้าสู่ความเป็นกลางเมื่อใจเราเข้าสู่ความเป็นกลางแล้วเราก็จะเห็นนั้น ความสุขผ่านมาแล้วก็ไปความทุกข์ผ่านมาแล้วก็ไปลบโกรธหลงผ่านมาแล้วก็ไปนะความดีผ่านมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วไปหมดเลยเห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านว่าบางคนก็เจ็วันบางคนเจ็เดือนบางคนเจปีเจริญสติปัฏฐานคือมีสติรู้กายมีสติรู้ใจตามความเป็นจริงไปเรื่อยรู้เรารู้ด้วยใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวใช้ที่ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวง่ายๆนั่นเอง คำว่าสมาธิ sheet. ที่ถูกต้องที่ว่าใจตั้งมั่นภาษาไทยมีอยู่คํานึงนะคำว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวใจที่ไม่ลืมตัวเองนั่นแหละนั่นคือใจที่มีสมาธิที่ตั้งมันน่นอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใช่หลงเวลาใจมันหลงไปคิดใช่ไมีร่างกายลืมร่างกายมีจิตใจลืมจิตใจจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวงั้นเราพยายามฝึกนะจิตใจหลงไปเรารู้หลงไปเรารู้ใจไม่จะอยู่กับเนื้อกับตัวใจมีสมาธิที่ถูกต้องแต่จากนั้นเราก็รู้สึก ถึงร่างกายเห็นร่างกายหายใจเห็นร่าง ก, ก, กายยืนเดินนั่งนอนมันจะรู้สึกขึ้นมาเลยว่าร่างกายไม่ใช่เราเราก็รู้สึกอีกความสุขเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นความดีเกิดขึ้นความชั่วเกิดขึ้นจะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับนะไม่ต้องมานั่งคิดเรื่องมีปัตสนมีปัตสนาไม่ต้องเรียกชื่ออะไรเลยแค่เห็นสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปเห็นแค่นี้พอแล้วนะถ้าเห็นมากพอนะบุญบารมีเรามากพอบางคนไม่กี่วันะจิตมันก็สรุปได้ จิตมันเกิดความรู้รวบยอดขึ้นมาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาได้ภูมิธรรมของพระโสดาบันนะบางคนนวดบา ร, รมีอ่อนลงไปนะใช้เวลาเจดเดือนคน้็ใช้เจ็ดปีคําว่าเจ็ดเนี่ยแปลว่าไม่มากนะเจ็ดไม่ได้แปลว่าเจ็ดนะเจ็แปลว่านิดนิดหน่อยหน่อยหมายถึงไม่กี่ปีในเวลาไม่กี่ปีเขาจะได้ธรรมะนะถ้าสมัยพุทธกาลบา ร, รมีมากกันบอก ในเวลาเจปีเขาเป็นพระอาหารหันต์ไม่ได้อาหารหันต์ได้พระอนาคาพวกเราบารมีน้อยหน้าเจปีได้โสดาภวิเศษแล้วล่วลวนะบางคนตั้งนานยังไม่ได้สักทีทําไมไม่ได้สักทีขี้เกียจปฏิบัติหรือขยันปฏิบัติแต่ปฏิบัติผิดนะนั้นก่อนที่จะปฏิบัตินะเรียนรู้หลักของการปฏิบัติให้มันถูกซะก่อนพอรู้หลักการปฏิบัติที่ถูกแล้วก็ลงมือปฏิบัติให้มากๆรู้สึกกายบ่อยๆรู้สึกใจบ่อ ย, รอยๆรู้สึกอย่างที่มันเป็น ถ้ารู้สึกแล้วหลงยินดีให้รู้ทันรู้สึกแล้วหลงยินร้ายให้รู้ทันใจก็จะเข้าสู่ความตั้งมั่นนะแล้วก็เป็นกลางด้วยเนี่ยเราค่อยๆเนี่ยมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงก็คือการเห็นไตรลักษณ์นั่นเองเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาของกายของใจดังนั้นทําไปเห็นแต่กายเห็นแต่ใจนะไม่เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาไม่เรียกว่าวิปัสสนานะ วิปัสสนากรรมฐานต้องเห็นไตรลักษนณะ์จำไว้เลยนะต้องเห็นไตรลักษณ์ถ้าเห็นแต่กายเห็นแต่ใจเป็นสมถะนะเพียงรูปเพียงนามเป็นสมถะถ้าเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจถึงเป็นวิปัสสนารู้จักไตรลักษณ์ไหมใครไม่รู้จักบ้างยกมือไม่ต้องเกรงใจยกเลยไม่ต้องเสียหน้ามีไหมมีสองสามคนนะอาจจะมากกว่านั้นแต่กําลังหลับเลยไม่รู้หลวงพ่อถามอะไรนะ อนิจจังทุกขานัตตาไม่ใช่เรื่องยากนะอนิจจังเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งซึ่งมันเคยมีแล้วมันไม่มีของที่มันเคยมีแล้วมันก็ไม่มีมันมีแล้วมันหายไปดับไปทุกขังหมายถึงว่าของที่กําลังมีอยู่เนี่ยกําลังถูกบีบคั้นให้สลายไปให้หมดไปให้สิ้นไปให้ไม่มีอนัตตาหมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากเหตุมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้ เนี่ยถ้าเราเห็นร่างกายเราร่างกายนี้มแีแล้วก็ไม่มีเช่นมีร่างกายที่หายใจออกแล้วก็หมดไปเกิดร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจเข้าเกิดขึ้นมาแล้วก็หมดไป <Yeah. S 1> เป็นร่างกายหายใจออกนะค่อยรู้สึกค่อยรู้สึกนะร่างกายนี้ตายลงไปทุกลมหายใจเข้าออกนะหมดไปสิ้นไปเรื่อยๆแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะวค่อยรู้สึกไปหรือเห็นร่างกายเป็นวัตถุเป็นก his, ้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนะ ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นวัตถุเห็นอย่างนี้ก็ใช้ได้เรียกว่าเห็นอนัตตาหรือเห็นว่าจิตใจเนี่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนี่เรียกเห็นอนิจจังมันสุขมันก็สุขได้เองมันทุกข์มันก็ทุกข์ได้เองมันดีมันก็ดีได้เองมันร้ายมันก็ร้ายได้เองนี่เรียกเห็นอนัตตามันเป็นเองไม่อยู่ในอำนาจเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้แหละเนืองเนืองนะดูเนืองเนืองไม่ใช่เพราะว่าดูตลอดเวลาดูเนืองเนืองว่าดูบ่อยๆ ถ้าดูตลอดเวลาคือการเพ่งจ้องเฝ้าไว้ไม่ให้คลาดสายตาอย่างจิตใจเนี้ถ้าเราไปจ้องไม่ให้คลาดสายตาจะไม่มีอะไรให้ดูเลยมันจะว่างๆนิ่งๆทันทีเพราะงั้นการดูจิตนั้นอย่าไปจ้องอยู่ที่จิตนะดูจิตนัให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาถึงจะมีอะไรให้ดูนะหลักของการปฏิบัตินะต้องถูกนะดูกายนี่เป็นปัจจุบันขณะเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยพยักหน้าอยู่เนี่ยรู้สึกเดี๋ยวนี้เลยดูจิตนี่เป็นปัจจุบันสันตติหมายถึงสืบเนื่องกับปัจจุบันโกรธขึ้นแล้ว แ ล, แ, ลแล้วรู้ว่าโกรธโอบขึ้นแล้วแล้วรู้ว่าโลภดูตามหลังไปติดติดติดตดไปไม่ใช่เมื่อวานกโกรธวันนี้รู้ว่าเมื่อวานกโกรธหนึ่งนี้ไม่ใช่ไม่ได้นะมันกโกรธขึ้นมาก่อนเรารู้ว่ามันกโกรธแต่ถ้าดูจิตแล้วไปนั่งเฝ้าไหนไหนจะมีอะไรให้ดูจะไม่มีอะไรให้ดูเลยจะว่างๆนะงั้นเนี่ยการที่รู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจเราเห็นไตรลักษณ์ได้เราดูให้เป็นดูกายดูลงเป็นปัจจุบันขณะเดี๋ยวนี้เลยตัวเนี้ยตัวที่กําลังเคลื่อนไหวนี่แหละนะมันไม่ใช่เราหรอก หรือถ้าดูจิตก็ดูตัวที่มันเกิดขึ้นสดๆร้อนๆให้มันเกิดไปก่อนเรารู้นะไม่ใช่เรื่องยากนะค่อยๆฝึกคนที่เรียนกับหลวงพ่อนะเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนเดือว น, นี้นะภาวนาเป็นเยอะนับจํานวนไม่ถูกเรา ล, ลนะะบางคนภาวนามาก่อนนะภาวนามายี่สบสาสิบปีก็ยิ่งบูมเหมือนเดิมไม่มีอะไรพัฒนาเรียนกับหลวงพ่อนะถ้าไม่ดื้อมากนละ้วเดือนสองเดือนเนี้รู้เลยว่าตัวเองเปลี่ยนไปแล้ว ชีวิตจิตใจนเปลี่ยนไปหมดแนละ้วมันจะรู้สึกเลยว่ากายนี้ไม่ใช่เราจิตใจมันทำงานได้เองแต่มันยังไม่ถึงขั้นที่เห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะถ้าไม่เห็นจิตไม่ใช่เราเนะี่ยมันจะได้โสดาบันอยู่แล้วเนะนี่ยตอนนี้เราก็าดูไปเห็นกายเห็นใจมันทำงานเรื่อยๆไปนะจับหลักได้ไหมสรุปง่ายๆถือศีลห้าไว้ก่อนทุกวันซ้อมปฏิบัติสิบห้านาทีพออย่าซ้อมมากซ้อมมากเดี๋ยววันหลังขี้เกียจ เอนะาสิบห้านาทีทำกรรมฐานสิ่อย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันใจที่หลงไฟไหลไปนะเราจะได้สมาธิที่ถูกต้องพวกเรานั่งสมาธิส่วนใหญ่นั่งผิดนะนั่งแล้วบังคับจิตให้สงบจิตไม่ชอบให้ใครบังคับถ้าบังคับเมื่อไหร่ไม่สงบเมื่อนั้นนะนั่งเล่นๆไปเดี๋ยวก็สงบทําใจสบายเดี๋ยวก็สงบนะแต่ถ้าอยากให้จิตตั้งมั่นต้องรู้ทันเวลาจิตหลงไฟไหลไป ไ, ได้จิตตั้งมั่นแล้วอย่าตั้งอยู่เฉยๆดูกายมันทํางานดูใจมันทํางาน รู้สึกกายอย่างที่กลายเป็นรู้สึกใจอย่างที่ใจเป็นจะเห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์ของกายของใจมากพอนะจิตจะเกิดปัญญาจะรู้ว่ากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราตัวเราไม่มีได้พระโสดาบันปัญญาขั้นสูงขึ้นไปก็จะเห็นว่าตัวที่ไม่ใช่เราตัวที่ไม่ใช่เราแล้วมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกข์ถ้าเมื่อไรเห็นว่ากายนี้ตัวทุกขนะ์นะจะได้ภูมิธรรมของพระอนาคามีนะจะละกามและปฏิฆะได้ถ้าเมืม่อไรเห็นจิตเป็นตัวทุกข์ จิตจะปล่อยวางจิตแลาจิตปล่อยวางจิตได้ที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตรงที่ปล่อยวางจิตได้นั่นแหะแต่อยู่ๆปล่อยไม่ได้นะต้องเจริญปัญญาให้แก่รอบก่อนอยู่ๆนึกๆจะปล่อยก็เพี้ยนไปเลยใช้ไม่ได้ต้องรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปแล้วดูกายทำงานดูจิตทำงานไปนะหลักปฏิบัติจริงๆที่สาคัญมีเท่านี้แหละแต่ฟังครั้งเดียวเก็บได้ไม่หมดนะไปฟังซดีถ้าไม่มีซดีแจกไปดู YouTube นะมีเยอะแยะเลย ดูอินเทอร์เนต็ตเก่งกันทุกคนอนะยุคนี้นะไปหา youtube ที่หลวงพ่อเทศไว้นะไม่ใช่ youtube ดูหนังฟังเพลงอะไรงั้นเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่ได้หรอกมากฝนนะนะหรือดูหนังโป๊หนังเปลือยอะไรดูแลกิเลสแรงนะไปดูที่หลวงพ่อเทศเทศไว้นะแล้วในเวลาไม่นานเราจะเปลี่ยนนะเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริง ถ้าบุญบา ร, รมีเรามากพอเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยในชีวิตนี้แหละไม่ต้องรอชาติไหนๆนะถ้าบา ร, รมียังไม่พอก็รอไปสะสมไปชาติต่อไปชาตินี้ไม่ได้แต่ว่าทําไว้เต็มที่แล้วชาติหน้าก็ง่ายนะนชาตินี้ทำแล้วรู้สึกยากก็ขี้เกียจทําชาติน้ำก็ยากอีกนะก็ไม่หายมีใสยอย่างนี้อดทนไปค่อยๆเรียนค่อยๆรู้นะวันหนึ่งจะได้มรดกได้ผลขึ้นมารู้ว่า พระพุทธเจ้าสอนของจริงธรรมะของท่านมีประโยชน์เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นจริงๆเลยนะไม่ใช่ปรัชญาพูดเพ้อเจอเล่นๆไม่ใช่เรื่องที่เอามาคุยกันเฉยๆเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงๆคนศาสนาอื่นนะเคยมีจะไปโต้วะทีกับพระพุทธเจ้าตัวอาจารย์ของเขาห้ามอย่าไปคุยกับพระสมณะโคดมนะพระสมณะโคดมมีมนเปลี่ยนใจใครไปคุยด้วยเปลี่ยนใจหมดเลย เดี๋ยวนี้หลวงพ่อถ่ายทอดมนต์เปลี่ยนใจอยู่นะพวกเราจำนวนมากเลยที่ใจมันเปลี่ยนนะเคยดีเราร้ายใช่ไหม เ, เปลี่ยนอย่างนั้นด้วยไอ่ <c oughs> อย่างนั้นไม่ได้เรื่องนะต้องเคยร้ายเราดีได้ไนะอ้นะอ่ะกลับไปให้ส่งันบ้านอ่ะว่ามาหลวงพ่อส่งคนบ้านะคะ่ะอือ ออตอนนี้ฝึกเดินจงกลมอยู่ค่ะก็ไม่แน่พูดทางธรรมฝึกเดินรงกลมอยู่อะค่ะแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าลูกขึ้นมาเดินรวบจิตเข้ามารู้สึกไห ม, มอย่าไปรวบจิตเข้ามาใช้จิตที่ปกติเห็นร่างกายเดินด้วยจิตใจที่ปกติเดินแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตนี้ไปคิดก้าวเร็ว เห็นไหว่าจิตมันเดินก่อนขาใจร้อนเอ้ยไม่ใช่เดินช้าๆเดินปกติมีสติรู้สึกไปมีสติรู้สึกไปรู้สึกไหมหเราประคองจิตเดี๋ยวประคองใช้ใจที่ธรรมดารู้ร่างกายที่เดินไปธรรมดาเราจะเรียนให้เห็นธรรมะของธรรมดาไปเรียนจนผิดธรรมดาไป กับมนั่งที่เวลาเดินเนี่ยนะถ้าใจมันหนีไปคิดแวบแวบแวบให้รู้ทันว่ามันไหลไปนะเดินไปเรื่อยๆเดินไปด้วยใจที่ธรรมชาติธรรมดาเดินไปด้วยใจที่สบายนะแต่ทีเดินเมื่อกี้คือคือบังคับมันบังคับมากไปนิดนึงอาจจะตื่นเต้นคนดูนะเดินเริ่มเป็นก็เหมือนก็เหมือนก็จะบังคับอะค่ะเออถ้ารู้ทันก็มมก็ไ่ธรรดถ้ารู้ทันก็ก็อย่าไปทํามัน บงคัเพราะว่าเราอยากดีนะรู้สึกไปธรรมดาอย่างตอนนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมขนะยั้งหน้ารู้สึกไหมเนี่ยเดินอยู่ก็รู้สึกเหมือนที่เรานั่งอยู่ตอนนี้ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันส่วนมากเราจะชอบเดินให้มันไม่เหมือนธรรมชาตนะิเดินย่องย่องย่องบางที่นะไปฝึกเนี่ยเขาเดินช้ามากเลยทำไมเขาเดินช้ามากเพราะเขาเดินกันจานวนมากถ้าเดินเร็วเขาเหยียบกันนะเขาเดินช้าๆนะย่องย่องย่องไปนกว่าจะได้แต่ละก้าว จะข้ามถนนจะรถทับตายแน่นอนเลยของเราเนี่ยจะต้องวิ่งเราก็วิ่งถึงเวลาจะต้องวิ่งเราก็วิ่งได้วิ่งมีรู้สึกตัวเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูรู้สึกไปเรื่อยเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดานั่งอยู่ก็รู้สึกเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูนอนอยู่ก็รู้สึกเห็นร่างกายมันนอนใจเป็นคนดูเดินอยู่ก็รู้สึกเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูรู้สึกด้วยใจที่สบายๆนั้นขั้นแรกสุดหาใจที่สบายก่อน ตอนนี้ใจไม่สบายดูออกไหมเนี่ยดูใจก่อนถ้าใจสบายแล้วก็ค่อยเห็นร่างกายมันทํางานด้วยใจที่สบายไปอย่าไปบังคับใจจนมันไม่สบายนะที่ผิดเนี่ยผิดอยู่ที่ใจไปบังคับใจมากไปอ่ะต่อไปกราบเรียนหลวงพ่อครับผมอยากทราบว่าอที่ผมปฏิบัติมาครับสติยังอ่อนไปหรือเปล่าหรือว่าจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยผมติดเพ่งอะไรอย่างงี้หรือเปล่าครับผมจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหม อตอนอยู่ปกติเหมือนขณะนี้ไหมครับเออเพ่งออย่างเนี้ยเพ่งทำไมเพ่งเพราะมันรักดีกลัวจะเผลอกลัวใจะอะไรฮะจ้องเอาไว้ครับกล้าๆหน่อยเผลอก็เผลอซิวะต้องอย่างนี้นะออแต่เผลอเรารู้ไหวๆแค่นั้นเองบอกบางทีมันอ่ามันยังจับหลักไม่ได้ว่าเหมือนกับว่าเราไม่รู้ว่าที่เราปฏิบัติมามันถูกแบบถูกหรือเปล่าเพราะาเราจะได้ถ้าถ้าเรารู้ว่าถูกรู้ตรงนี้เลยครับรู้ว่ากําลังสงสัยอยู่ รู้หลอปัจจุบันไปเลยอืยครับเห็นไหมตัวอะไรพยักหน้าเนี่ยครับมันก็รู้สึกแค่นี้แหละเนี่ยมันไม่มีอะไรลึกลับหรอกรเนี่ยรู้สึกไหมรวบจิตเข้ามาแล้วครับใช่เออเนี่ยเรารู้ทันการรวบจิตเข้ามานะทีหลังมันก็ไม่รวบทําไมรวบอะ่ะอยากจะรู้ให้ชัดก็เลยรวบเข้ามา อ, อ๋อถ้าคือโปะเราก็ต้องปล่อยใช่ไหมปล่อยเราก็รู้ยันเดียวครูบาอาจารย์สอนน่าจะจับแต่ต้องแกล้งปล่อยนะ เหมืเราจะข้ามสะพานนะสะพา น, านเคยเห็นสะพานบ้านนอกไหมเป็นไม้กระบอกไม้ไผ่อันเดียวนะเท้ดข้ามคลองมีไม้กระบอกอีกอันมาให้จับเราเดินไปแล้วเรากลัวตกนะมือเราจับเราเสะพานแน่นนะเราเดินไม่ได้เราข้ามสะพานไม่ได้มันกล้าๆหน่อยเดินไปว่าจะตกเราค่อยจับทีหนึ่งจับตลอดไม่ได้ข้ามหรอกตรงนี้ก็เหมือนกันปล่อยให้มันทํางานอย่าไปบังคับมันแล้ว เ, เรื่องสติะครับ สติใช้ได้ใ ช, ไดใช่ไหมสติใช้ได้สติมีอยู่ที่ไม่ไม่ดีคือบังคับจิตสมาธิมมไม่ถูกแข็งไปสังเกตไหมถ้าเราจ้องไว้เนี่ยจิตไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นแค่ผู้รู้เฉยๆไม่เบิกบานแข็งๆไม่มีความสุขแต่ที่ฝึกนะในภาพรวมเนี่ยถือว่าใช้ได้นะสังเกตไหมว่ากายกระใจคนรานอันดหรือยางครับ ขันมันแยกแล้วขันมันแยกได้แล้วต่อไปนี้เราเห็นขันมันทำงานไปด้วยใจที่สบายๆตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยครับตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นไม่ห้ามดูอย่างนั้นแหละไปต่อไปครับขอบคุณครับแต่ใช้ได้นะขันแยกแล้วกลับมสการหลวงพ่อครับผมมีสามสภาวธรรมจะขอกับเรียนหลวงพ่อครับผมชอบนั่งสมาธิแล้วก็มีอยู่วันหนึ่ง ที่จิตมารวมลงไปแล้วก็มันบังคับร่างกายไม่ได้ถูกแล้วก็หายใจก็ไม่เคยออกด้วยครับหือหายใจก็ไม่เคยออกด้วยลมหายใจมันดับไปแล้วมั้งหรือว่ามันอึดอัดมันมันหายใจไม่เคยออกแล้วก็รู้สึกร่างกายเป็นทุกข์มากอา้าวั้นไปหาหมอเถอะ <c oughs> ครับจะมันจะถอดออกมาก็ไม่ได้ครับคือมันก็เหมือนเพ่งแรงไป มันเพ่งแรงแล้วบางทีมันบังคับร่างกายไม่ได้นะครับบังคับไม่ได้รวมแล้วมันบังคับไม่ได้ที่จริงมันก็อย่างหายใจไม่ตายหรอกเจ็นไหมทําไมออกมาได้ไม่ตายทั้งทที่ว่าหายใจไม่ออกอ่ะไม่ออกครับมันรู้สึกอึดัดเป็นงั้นเองเนอะนะให้รู้ทันใจสบายสบายไม่อันนี้ไม่ได้เป็นชานอะไรใช่ไหมครับไม่เป็นหรอกกลัวตายอยู่ไม่เป็นชานหรอกครับแล้วก็พอถอนออกจากสมาธิได้แล้วผมก็ เดินไปเองกายพักนะครับเพราะว่ามันเมื่อยมากทีนี้ทีนี้จิตมารวมลงไปอีกครั้งหนึ่งครับมันจมลงไปเรื่อยๆจนถึงจุดจุดหนึ่งครับมันทิ้งร่างกายตรงนั้นเลยครับร่างกายมีไหมหรือร่างกายหายไปเลยหายไปเลยครับก็ใช้ได้แล้วไงอีกแต่ความรู้สึกยังอยู่ไหมไม่มีแล้วครับหมดรู้สึกตัวก็ไม่มี อ๋อมีครับรู้ครับถึงหอย่างนั้นใช้ได้ครับแล้วแล้วทีนี้ก็ได้สัมผัสกับสภาวะที่มันละเอียดประณิชอืมอสะอาดบริสุทธิ์ไม่รถูกไม่บริสุทธิ์รบครับมันเป็นอรูปประชาญอือมันเป็นอารูปร่างกายหายไปแล้วะไม่บริสุทธิ์นะสงบสงบดูสหว่างดูอะไรเงี้ยแต่มันไม่บริสุทิ์หอกอืเชือกิเลตมีอย่างซ่อนอยู่อือม่ ออกมากิเลมนก็กลับมาอีกใช่ใช่ครับแต่สังเกตอย่างนะถ้าเราเคยภาวนาจนร่างกายหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวแล้วเนี่ยรู้สึกไหมว่ากายกับจิตเนี่ยคนละอันครันมันจะแยกแล้คราวนี้มันไม่รวมกันแล้ว่ะรู้สึกว่าเป็นแบบกายเปลือกเปือกอะไรเงี้ยใช่เป็นเปลือกเปือกเป็นโครงเป็นถ้าเป็นครูหาให้จิตอาศัยอยู่เท่านั้นเองครับกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะงนั้นถ้าเราเคยภาวนาจนร่างกายหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวพอกลับมามีร่างกายแล้วเนี่ยมันจะเกิดความรู้ชัด ว่ากายกับจิตเนี่ยโคโลนกันแล้วต่อไปเราก็ดูนะความรู้สึกต่างๆกับจิตก็โคลนกันนะอดูต่อไปนะความรู้สึกต่างๆกับจิตก็โคละอย่างกันเหมือนร่างกายกับจิตเป็นโคนละอย่างกันแล้วเราก็ดูไปด้วยร่างกายไม่ใช่เราร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายหายใจร่างกายทําหน้าที่ของตัวเองแต่ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกทั้งหลายในจิตใจนี่ก็ทําหน้าที่ของมันจิตก็ทําหน้าที่รู้นะ เนี่ยเราเฝ้ารู้เฝ้าดูเราเห็นธาตุเห็นขันแต่และขันทำงานตามหน้าที่ของเขาไม่ใช่ตัวเราสักอันเดียวดูบ่อยๆดูเรื่อยๆนะดูใจมันพอแหละครับหลวงพ่อครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายนี้เมื่อเดือนสิงหาคมปีนี้หลังจากที่ผมภาวนานั่งสมาธิเสร็จแล้วช่วงทิพักนะครับก็ได้เข้าไปเห็นสภาวะหนึ่งเกิดดับเป็นทุกข์แล้วก็แค่ช่วขณะจิตเดียวเองครับ เวลาจิตมันเจริญปัญญาไม่เจริญนานหอกนะเห็นนิดเดียวนี้ก็วิเศษวิโสแล้วละครับดูไปอีกไปทำอีกนะอย่าอยากเห็นนะถ้าอยากเห็นแล้วจะไม่เห็นอีกเพราะเพราะว่าตรงนั้นแล้วก็รู้ว่าเราทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ใช่ถูกแล้วละพน่าเก่งไว้ตัวนี้แล้วหลังจากนั้นผมก็อยู่กับความรู้สึกตัวมาสังเกตไหมตัวเรายังอยู่ อยู่ครับอยู่ความรู้สึกว่าเป็นเราอย่างอยู่ใช่ไหมใช่ใช่สักกายทิฏฐิไม่ขาดนะอ๋อครับตัวนั้นเป็นเรื่องของสมาธิทั้งทั้งหมดเลยครับนะแต่ว่าเราก็เดินปัญญาไปเรื่อยๆในวันหนึ่งสักกายทิฏฐิก็ขาดไปเองครับนะไปทําอีกไหมครับขอบพระคุณหลวงพ่อครับสักการเจ้าค่ะส่งกันบ้านรอบปีเจ้าค่ะเขาที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าเสมถะทิ้งไม่ได้ก็ให้หนูเพิ่มสมถะเพราะว่ามันฟุ้งซ่านนะคะ แล้วก็หลวงพ่อแนทบอกว่าตอนที่ทําสมาธิเนี่ยมันน้อมใจให้นิ่งน้อมใจลงไปให้เคลิอค่ะก็เลยกลับไปพยายามทําใหม่แต่ตอนนี้เนี่ยมันมันก็เข้าเข้าสมาธิไม่ค่อยได้แล้วก็จิตมันก็มันมันก็ทุกข์มากแล้วก็เหนื่อยมากะค่ะมันเหมือนกับว่าถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเวลามันฟุ้งออกมาข้างนอกคือมันก็ทุกข์ทั้งข้างนอกทั้งข้างในอ่เจ้าค่ะเวลาที่เราติดสมาธินะ แล้วพอสมาธิเสื่อมไปเนี่ยมันจะทุกข์เนื้ออารมณ์มันจะร้ายกว่าคนปกติน ะ, ะเป็นอยู่ช่วงหนึ่งเดี๋ยวค่อยๆปรับไปเดี๋ยวค่ยสมดุลขึ้นมาสมาธิเราก็ไม่ทิ้งแต่ไม่ใช่ไปบังคับจิตให้สงบแล้วก็ไม่ใช่ติดอยู่กับความสงบ น, นั้นพอใจนะจงะนั้นถ้าจิตไม่สงบแล้วก็ถึงเวลาเราก็ทํากรรมฐานของเราไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่าง นะทําไปด้วยใจที่สบายๆเขาก็สงบของเขาเองถ้าอยากสงบเขาจะไม่สงบแต่พอเขาสงบแล้วเนี่ยจิตยินดีพอใจจิตพอใจแล้วให้รู้ทันถ้าจิตพอใจไม่รู้ทันนะจะติดสมาธิเจ้าค่ะนะสมาธิมีประโยชน์นะทําไปแล้วจิตใจมีความสุขได้เร็วได้แรงแต่ถ้าติดมันก็ไปไม่รอดติดดีเจ้าค่ะที่หลงพ่อมองนะดีขึ้นนะไม่ใช่แย่ลง มันฟุ้งมากกว่าเก่ามันฟุ้งมากกว่าเก่าแล้วมันดีตรงไหนฮะตรงเก่าเนี่ยมันเพ่งเอาไว้มันดีเกินไปตอนนี้รู้สึกไหมเราร้ายกว่าที่คิดหนักมากเจ้าค่ะนั่นแหละเรายอมรับไม่ได้รู้สึกไหมปัญหามันไม่ใช่อยู่ที่ดีหรือร้ายนะปัญหามันอยู่ที่ว่าจิตเราอะยอมรับไหมจิตเป็นกลางไหมตอนนี้จิตไม่พอใจในสภาวะอันนี้ให้รู้ถันว่าไม่พอใจนะ แล้วเดี๋ยวช่วงหนึ่งมันก็ผ่านไปนะเดี๋ยวมันปรับสมดุลมันไม่ร้ายเท่านี้ตลอดหรอกตอนนี้มันฟุ้งแรงเพราะว่าที่ผ่านมาติดสงบติดสมาธิมากไปเจ้าค่ะกล้าๆหน่อยถือศีลห้าไว้ก่อนเนี่ยศีลมันจาเป็นตรงนี้เองเวลาสมาธิเสื่อมเวลามีสมาธิอยู่นะโหจิตสงบจิต ด, ดีมีเมตตากรุณาไม่ต้องถือศีลหรแต่เวลาสมาธิเสื่อมนี่ร้ายมากเลยต้องถือศีลไว้ก่อนเจ้าค่นะ อ่ะต่อไปรู้จักนามสกันพราจาค่ะอืมสังเกตปแล้วว่ากายกับใจมันควร้านกันค่ะดูออกแล้วใช่ไหมดูออกค่ะเออดูออกก็ดีแล้ ว, ลวจะสงสัยอะไรค่ะ <c oughs> <c oughs> เลยงงไปเลยเนี่ยต่อไปเนี่ยเห็นไหมนั่งกายมันยิ้มเห็นร่างกายมันทำงานไม่ใช่เราหรอกนะค่ะแล้วความรู้สึกทั้งหราก็ไม่ใช่เรามันก็ทํางานของมันดูอย่างนี้เรื่อยๆไป ค่ะข <C> e ้าวผานขอบคุณค่ะอาจารย์าารยวันนี้ก็ใช้ได้แล้วถามอะไรอีกอ่ะกลับรอสการพระอาจารย์ค่ะเข้าก่อนพระอาจารย์บอกว่าจิตมันไม่ถึงฐานให้ไปดูกายหนูก็ไปดูกายนั่นแหละดีแล้วพอเสร็จแล้วกําลังจะเดินกลับที่พักอะค่ะพระอาจารย์มันเห็นแวบหนึ่งว่ามันไม่มีไม่มีแต่ว่ามันกลัวค่ะพระอาจารย์มันแบบมันพอมันรู้สึกว่าไม่มีจริงๆมันไม่ยอมค่ะอืม มันยังห่วงอยู่ใช่ค่ะแต่ว่าถึงจุดหนึ่งมันต้องยอมนะเพราร่างกายนี้แก่ลงจะแตกสลายไปเลยใจมัยอมอะตอนนี้มันยังห่วงอยู่ดูพี่อีกดูจนมันหายห่วงแล้วพอหลังจากนั้ น, นก็ฟุ้งกระจายเลยค่ะฟุ้งในสภาวะที่มันเข้าไปเห็นนะคะพระอาจารย์เห็นแล้วแล้วไปไม่ต้องไปทวนมันเยียนะดูลงปัจจุบันใหมนะ่มันไม่ใช่เราหรอกนี้เราไม่เคยชินที่จะเห็นความจริงว่าไม่มีตัวเรา ทนไม่ไหวทนความจริงไม่ไหวแต่พอเห็นเนืองๆอีน้อยก็ทนไหวนะอีน้อยยอมรับยอมรับได้กับมีความสุขมหาศาลนะใจมีความสุขมีความสงบขึ้นมาไม่มีเราถูกแล้วถ้าไม่ไมมีเราแล้วใครแก่ใครแก่ก็ไม่รู้ไม่ใช่เราล่ะใครเจ็บนะ่ะไม่ใช่เราหรอกใครตายละไม่ใช่เราหรอกสบายออกไวตายไป ตัวตัวทุกมันแก่ตัวทุกมันเจ็บตัวทุกมันตายสมน้ำหน้ามันเหรอใจมัใจะขึ้เขิมขนาด น, นั้นนะไปทําอีกไหมทาถูกแล้วบคค่ะไม่มีปัญหาหรอกอแต่คนที่ส่งกันบ้านไปแล้วตะกี้เนี่ยรวบเอาไว้นะวิกดจิตเอาไว้เนี้ยเราอะไม่ใช่คนใชนนะ่คนนี้แหละคนนี้แหละรู้สึกเปล่าไปดึงเข้ามาเนี้ยไม่เอา ถ้าอย่างนี้นะลืมกรรมาฐานไปเลยเรารู้สึกร่างกายใหม่เริ่มต้นใหม่อ้าว่ามากลับนมัสการค่ะหลวงพ่อหนูเรียนถามว่าที่หนูปฏิบัติตามดูตามรู้อยู่หนูทําถูกต้องแล้วหรือยังถูกนะแต่จิตมันฟุ้งไปนิดนึงคจิตฟุ้งสั้นไปเพราะนั้นทำความสงบบ้างเป็นคราวๆเออบางครั้งหนูกําหนดพุทโธอะคะ่ะพุทโธก็อย่าบังคับจิตนะพุทโธทําใจให้สบายหลักของการทําสมาธิให้จิตสงบเนี่ยมีหลักง่ายๆ รู้จักเรื่องอารมณ์ที่มีความสุขนะเช่นสมมติเราพุทโธแล้วมีความสุขเราก็ใช้พุทโธถ้าพุทโธแล้วอึดอัดเราก็ไม่เอาก็เอาอื่นอื่นนะถ้าเราพุทโธแล้วมีความสุขเราใช้พุทโธแล้วเราก็เอาจิตไปรู้พุทโธนะจิตที่ไปรู้พุทโธก็ต้องเป็นจิตที่สบายสบายไม่ใช่จิตที่เคร่งเครียดไปรู้พุทโธนะถ้าเราเอาจิตที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขนะแวบเดียวจิตสงบเลยเคล็ดลับนะง่ายๆหรอสมาธิไม่ยากหรอก ไปทำบ้างนะใจฟุ้งไปค่ะค่ะพุโทโธพุโทโธสิังเกณฑ์ไหยจิตไม่มีความสุขใช่ค่ะเนี่ยผิดตรงนี้แหละมันถึงไม่สงบต้องจิตสบายๆเห็นไอตัวนี้มันพุโทโธด้วยจิตที่สบายๆหลวงพ่อก่อนให้ทํากรรมฐานหลวงพ่อถึงชับสอนลูกศิษย์เอายิ้มหวานยิ้มก่อนสิลืมยิ้มแล้วเห็นไหมค่ะยิ้มให้ใจมันคลี่เลยนะเหมือนในใจเรานี่มีดอกไม้อยู่ให้ดอกไม้ในใจของเราบาน <Okay. S 2> ยิ้มให้ใจมีความสุขใจมีความสุขแล้วเราจะพุโทโธจะหายใจอะไรนะแปบ๊บเดียวก็สงบแล้ว mm hmm. นะเพราะว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิอาภีธรรมก็สอนอยู่นะอันเนี้ย <Okay. S 2> ไปทำสมาธิบ้างนะ <Okay. S 2> ใ่ฟุ้งไป okay. ขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะใครจับฉลากได้เขาจะเปลี่ยนใจก็ได้นะไม่ว่าหรอกป็น <laughs> คน หลวงพ่อตอบไปหมดแล้วมันนี่จะถามอะไรอ่ะว่ามากราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะคือหนูเพิ่งได้เริ่มดูยูทูปพระอาจารย์เพียงเดือนเดียวนะคะหนูอยากทราบว่าที่หนูปฏิบัติเนี่ยถสังเกตเป ล, <อ>ล่า ว, ว่าเราไม่เหมือนเก่าสังเกตไหมว่าใจเราเปลี่ยนเดือนหนึ่งใช่ไหมสังเกตไหมกายกับใจโค้ลานสังเกตนั่นแหละเห็นไหมนี่พยานหลักฐานนะมนีพยานบุคคลแนะเดือนหนึ่งเองอะไปทํำอีกไป ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะถูกถูกในระดับนี้นะค่ะต้องฝึกไปอีกยังไม่พอหรอกแล้วต่อไปหนูต้องดูต่อไ ป, ปหนูค่อยดูนะกิเลสจะขึ้นมาเยอะเลยรู้สึกไหมกิเลสมันมเยอะเยอะค่ะขึ้นทั้งวันเลยหนูออกไหมนี่อะไรเก่ง <c oughs> นะเดี๋ยวตกใจสกอ๊อตเยอะกันถ <c oughs> <c oughs> ้าหนูซ่อนหนูเยอะเ<ๆ>ดี๋ยวมันก็ขึ้นมาขึ้นมาแล้วรู้เอานะ ก็เห็นว่ากิเลสเกิดแล้วก็ดับไปไเกิดแล้วก็ดับไปสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปดูอย่างนี้เรื่อยๆน้องต่อไปขอบพระคุณค่ะนมรสการหลวงพ่อครับก็ช่วงนี้งานค่อนข้างยุ่งอืมแต่ต้องข้อแก้ตัวนะัก<อ>งานยุ่งเนาะไม่แต่ก็เดินไปเดินมาเวลาทํางานก็เลยใช้วิธีดูกายเวลาเดินเีอย่างนั้นแหละนักปฏิบัติต้องอย่างนั้นแหละ คำนี้บางทีดูกายเวลาเดินไปเดินมาแต่ใจมันหนีไปคิดเนี่ยเราต้องตามรู้ไม่ตามหรอกแค่รู้ว่ามันเผลอไปคิดแล้วครับนะไม่ตามไปนะครับหนีไปคิดต่ออ๋อหนีไปแล้วแค่นี้พอละไม่ต้องไปดูว่ามันหนีไปคิดเรื่องอะไรไม่จําเป็นแล้วก็กลับมาดูกายใหม่แล้วใจไปคิดก็ไปรู้มันก็ไม่คิดเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวนะใจเป็นคนดูไปถ้าใจหนีเรารู้ตามหลักที่หลวงพ่อสอนกรรมฐานไงว่ย ทำกรรมาฐานอย่างหนึ่งนะอย่าง <us> นี้กรรมฐานก็คือการเห็นกายมันเดินนะแล้วใจมันหนีไปให้คอยรู้นะหรือพุทโธแล้วใจหนีไปคอยรู้หายใจแล้วใจหนีไปคอยรู้เดินอยู่ใจหนีไปคอยรู้เนี่ยใช้หลักนี้แหละแล้วสังเกตเปล่าว่าสมาธิเราดีขึ้นเออืมสังเกตครับนั่นแหละ ง, าง่ายง่ายไหมสมาธิครับแล้วดูไปนะขันมันแยกแล้วไปดูอีกครับใช้ได้ผ่านครับขอบคุณมากครับ รายงานการปฏิบัติสี่ปีค่ะก็สินดีขึ้นพยายามรักษาสินแล้วก็เวลาที่ไปปฏิบัติธรรมาค่ะออพอดีแม่ข่าวพาสวดมนต์สวดแล้วมันเห็นว่าแบบมันไม่ใช่เราเออคราวนี้ร่างกายมันคืบก็เห็นว่าร้องไห้อะรเร า, าไม่หยุดเลยโดยที่เราไม่ไม่ได้เสียใจอะไรค่ะ เวลาไปเห็นความจริงนะบางคนมันกลัวบางคนมันมีปิติปิติร้องโหยร้องไห้ให้เราดูเขาไปตรงๆว่าใจมีปิติดูเขาไปตรงๆมันก็ดับไปเองมันก็เลิกร้องแต่อยู่ๆไปสั่งมันว่าอย่าไปร้องอย่าไปร้องมันไม่เชื่อหรอกใช่ค่ะตอนนั้นก็พยายามห้ามแม่เห้ามไม่ได้ให้ดูเขาไปตรงๆเลยทุกทีจะเห็นแค่แป๊บเดียวแต่ว่าครั้งนี้เห็นนานมาก แล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นไปทําบุญก็มีการสวด ร, ระหว่างที่พาส่วนนี่ก็ร้องอีกค่ะเออนั่นแหละความรู้สึกมันครอบงําใจมักไปให้ดูเขาไปตรงๆรู้ใจของเราแหละใจที่ถูกอารมณ์ปิติอารมณ์ร้องไห้เนี่ยครอบงําดูเขาไปตรงๆโยมอยากขอกันบ้าน น, ะนี่ไงให้แล้วเดีย๋ยวาไปให้มันครอบใจเรานะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะถูกรู้สึกไหมจะอ้อนนละ ค่ะใช่ค่ะเนี่ยดูมันเข้าไปตรงๆอย่างนี้แหละมาอ้อนกับหลวงพ่อไม่ได้กินห อ, อกนะ <c oughs> ดูห้อตรงๆเลยเออต้องอย่างนี้นะนักปฏิบัติไม่อ่อนแอค่ะจบแล้วค่ะเ <c oughs> นี่ยเขาเรียนกรรมฐ า, านจริงๆเรียนกันอย่างนี้นะเรียนกันถึงเลือดถึงเนื้อนะข้อขาดบาดตา ย, ยาจริงๆเลยเรียนประเภทโอโลมปฏิโลมอะเสียเวลา กิเลสหนังไม่ถลอกเลยว่ามาคนฟงฟันจบแนละ้วครับในโอกาส น, นี้ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกล่าวคำถวายแด่พระอาจารย์ผมขออนุญาตเป็นผู้นำกล่าวนะครับข้าแต่พระอาจารย์ประโมทประโมโชข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายกับปิยพันธ์ติด ก, กันเทศ กับสิ่งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ประโมทประโมทโชขอพระอาจารย์จงรับกับปิยพันธ์ติดกันเทศกับสิ่งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติมิตรทั้งหลาย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 จันทูปนรสอยาถามณีโชติรสอยาถาสพีติโยวิวัชชันตุสัพรโรคโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายยโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจจังุทธาปจายโนจ ต, ตาโรโธรมาวัทันติอายุวโนสุขังพระลังสาธุหลวงพ่อขอนุโมทนานะากลุ่มบวตหลวงเป็นประโยชน์นะ ผู้จัดทุกท่านอนุโมทนากับพวกเราที่มาฟังธรรมอย่าให้เสียชาติเกิดเป็นชาวพุทธนะศาสนาพุทธจะอยู่กับเราอีกสักเท่าไหร่ไม่แน่หรอกนะอย่าคิดว่าจะอยู่นานนี่ศึกษาเรียปฏิบัติเอาธรรมะมาสู่ใจเราให้ได้วันหนึ่งพระจะหมดไปเลยก็ได้ศาสนาจะหมดเมื่อไหร่ก็ได้ไม่แน่หรอกนะไปตั้งใจปฏิบัติเอานะ